ความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งทมจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมได้นำเสนอพระสูตรใน ม, ช, มชิมชิมานิกายมาโดยลำดับแระสูตรจะมีข้อความยาวและค่อนข้างพิสดารอย่างที่บอกท่านผู้ฟังเอาไว้ว่าประสูตรในประใตรบิดก ที่กำหนดไว้เป็นห้ากลุ่มใหญ่ๆเรียกว่า น, นิกายหรือพวกต่การจัดหมวดหมู่ขึ้นของพระสังคิติกาจารย์คือพระอาจารย์ที่ทำสังขยาพระธรรมวินัยก็เริ่มจัดเกาะกลุ่มมาตั้งแต่สังคายาครั้งที่หนึ่งที่สองแต่ก็มาลงตัวเป็นพระไตรปิฎกหรือแยก พระวินัยออกไปดูส่วนหนึ่งพระธรรมออกไปพระสูตรออกไปไว้ส่วนหนึ่งและพระวิธรรมออกไปไว้ส่วนหนึงก็เป็นใน ก, การที่เกิดขึ้นในสังกายนา ค, ครั้งที่สองโดยการนำของพระโมคคิีบุตรติสเทระภายใต้การอุปธรรมของพระเจ้าโสมมาราชอย่างที่เราทราบกันพะเมื่อนำเข้าสู่พระสูตร ในมัจิมานิกายที่จริงเป็นพระสูตรที่มีความยาวรองลงมาจากทีคณนิกายาทีฆะก็แปลว่ายาวอยู่แล้วพระสูตรในทีคณิกายนั้นจะมีความยาวมากประกอบด้วยประไตรปิฎกถึงสามเล่มแต่ว่ามีพระสูตรแค่ส4สี่สูตรแต่นั้นเองส่วนมัชิมานิกายก็ประกอบด้วยพระ สูตร152หสูตรก็เรียงไปตามลำดับที่นำมาเสนอในที่นี้ก็เป็นพระสูตรที่อยู่ในมัชิมานิกายมูลปัญ น, นาแต่ว่าพระสูตรแรกนี่มันยากมากคือไม่เหมาะที่จะนำเสนอออกทางวิทยุ พรถ้าจะศึกษากันจริงๆก็ต้องอ่านกันก่อนแล้วก็มานั่งค่อยๆแกะค่อยๆเรียนไปนยิงเรื่องไม่พิสดารเนาะ เ, เป็นดินน้าลงไฟแต่นั้นเองแต่เอาก็จริงเราไม่ชัดเจนในดินน้าลงไฟในแง่ของธรรมะเพราะนั้นเป็นธรรมเทศนาที่ทรงอธิบายขยายเรื่องดินน้าลงไฟออกไปละเอียด รเรื่องธาตุนี่ออกละเอียดมากพระทีควังในคราวนั้นก็เรียกว่างงทีเดียวเป็นพระธระมรมเทศนาในแนวที่เรียกว่านิกหามุขเทศนาคือกำราพระเพราะว่าบางทีท่านก็ขนองคือคิดขนองแล้วบางทีท่านก็อาจอาจจะพูดออกไปด้วยความขนอง คร่ก้าคนส่วนใหญ่เวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักวิชาการเนี่ยมักจะมองเห็นว่าธรรมะในาศาสนามิเตุมีอะไรมีเรื่องที่เรารู้แล้วทั้งนั้นก็ที่จริงมันไม่ได้อยู่ที่รู้คือปัญหาว่าอยู่ที่ทำได้อยู่ที่ปฏิบัติได้ล้วจริงสังคมมนุษย์เนี่ยแม้แต่ศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยสอบผ่านไม่ทาลายหรอก เพราะอะไรเพราะถ้าเราเข้าสู่ภาคปฏิบัติมันจะละเมียดละใหม่มากมันจิตมันเปลี่ยนสภาพไปอย่างสิ้นเชิงคือจิตไปอยู่ที่แม่ตากรุณาอยู่หรืออยู่ที่ฮิริโอตปะแล้วก็ถึงจุดที่สมบูรณ์ไปอยู่ที่กรุณาอย่างเดียว ถ้าจิตเดินเข้าถึงจุดนั้นได้มันก็เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระหันไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องคนสามัญชนพระตมรที่ส่งแสดงว่ากัมพีโรคือมันลึกเวลานํามาสอนก็สอนกัาเป็นตอนๆสอนไปหยาบๆก่อนแล้วค่อยว่าค่อยย่อยลงไปในรายละเอียดเพราะรายละเอียดจริงๆเนี่ยมันต้องไปสู่ภาคปฏิบัติ มีคนก็ถามทั้งยานสิบหกในการถามตอบปัญหาหวันจันท์แลวมาไม่ตอบคือที่ไม่ตอบเนี่ยมันมันตอบยากนะที่จริงมันเป็นสภาวะทางจิตคือจิตเราต้องสัมผัสแต่ก่อนมันเป็นการพูดการสอนกันในแวดวงของการเจริญกรรมฐานและท่านที่พูดเรื่อง ยานสิบหกเนี่ยหมายความว่าเป็นการสอนในแนวที่สอบอารมณ์ของลูกศิษย์กิษ จ, จิตมันต้องเดินไปก่อนคือแกเห็นด้วยจิตก่อนอ่ะแล้วเพื่อตรวจสอบดูจิตว่าจิตของเราเป็นย่งอยู่ตรงไหนในฌานสิบหกเนี่ยหรืการอธิบายบางครั้งเนี่ยยังไปบัญญายรวมเด็ก คำถามเรื่องนร ก, กมีกี่ขุมนี่มีอะไรบ้างในถามบ่อยที่สุดบอกว่าถึงต่อไปเธอก็จาไม่ได้แล้วพอเราตอบลองถามดูเธอก็จำไม่ได้สักคำหนึงมีคำว่าอเวจี G อยู่คำเดียวเองเพระธรรมะเป็นนันมากที่มันได้เหมาะต่อการพูดออกไิจยุคือกลุ่มเป้าหมายคนจะชัดเจน ถ้ากลุ่มเป้าหมายในลักษณะพูดทางโทรทัศน์ทางวิทยุรวบรวมเยาวชนหรรมประชาชนทั่วไปเนี่ยไปพูดในลักษณะนั้นไม่ได้มันพูดได้ฮะแต่คนฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่สมําเร็จประโยชน์อะไรจิตมันต้องเดินไปก่อนนะจิตมันต้องเห็นจิตึงเห็นที่จิตจะเห็นระดับวิปัสนาเห็นใจลักเนี่ยก็ยากแล้วนะ เพราะวิปัสนาญาณสิบหกเนี่ยมันเริ่มจากการเห็นการเห็นใจรักษก่อนก็ยังไม่เห็นสมบูรณ์นะแต่เห็นสมบูรณ์มันก็รักกิเลสได้หมดก็เห็นไปเรื่อยๆนะฮะยึดเรื่อยๆไปเรื่อยพระธมมาพวกนี้จึงก็ถามไปก็ถามอย่างนั้นก็ตอบไปก็ตอบอย่างนั้น คือบางทีเนี่ยเราลืมมองเพราะว่าปัญหาใหญ่ในบ้านในเมืองเรามันไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นหรอกมันเป็นปัญหาระดับสังคมเป็นปัญหาระดับกิเลสหยาบๆ บ, บาปหนาๆเท่า น, า น, านั้นเองเราแก้ปัญหาพวกนี้ได้ซะก่อนแล้วก็ก็จึงค่อยว่ากันแต่าการเรียนในชั้นเรียนก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะนั้นเพื่อตอบว่าเขาว่ายังไง แต่ยานสิบหกเนี่ยถึงมาดูว่าจิตเราถึงไหนแล้วมีสภาวะทางจิตเนี่ยมันเป็นยังไงจะทำไมจึงเรียกอย่างนั้ น, นเวลาปธิบายยานสิบหกเนี่ยเขาก็เอาเฉพาะกลุ่มนะครับเขาเรียกว่าสอนโยคีของเขาส่วนมากพวกกรนนุณมแนวนี้ก็คือแนวกรรมฐานแบบวัดมาธาตุเนี่ย นยุทหนพอพงนอเนี่ยเขาจะพูดเรื่องนั้นแล้วก็มาในทางสายวิปัสนาประสูตรประสูตรนี้เรียกว่าวัตถุประมาสูตรเป็นสูตรที่อุ ป, ปมาอุปมาเหมือนกับผ้าวัถะนี่แปลว่าผ้าก็ อุปมาเนี่ยอุปมานะรพระสูตรที่อุปมาด้วยผ้าเป็นพระธรรมเทศนาที่เกิดขึ้นใ น, นธยาใสของพระพุทธเจ้าที่มีพระประสงค์จะทรงสแสดงพยานที่บอกว่าแนวเนี้ยจะรับสั่งเรียทพิสุมาก่อนให้วิสุเตรียมพร้อมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วจะเริ่มแสดงวันก็ความในตอนต้นก็ขึ้นว่า ก็จะได้สดับมาแล้วอย่างนี้เป็นคำกล่าวของพระานนท์ที่บอกแก่พระสังคีติกาจาร์ในปฐมสังคายนาเนี่ยแล้วเราจะเห็นว่าถ้าเราพูดกันในแง่ความจริงว่าพระสูตรตอนตอนหัวในส่วนหัวเนี่ยไม่ใช่ประบาลีพุทธวจนะส่วนปลายที่เริ่มต้นด้วยคำว่าอิดัมโมโวจะภาควาก็เหมือนกันนะ ไม่ใช่พระบาลีพุทธวจนะแต่เป็นคำกล่าวของพระอนุนเทระเป็นการเล่าลอยฟังแต่บดีพระที่ท่านฟังเนี่ยท่านจำได้ด้วยเพราะท่านก็เป็นสักขีพยานไปด้วยในตัวและในที่สุดพอพระอนุ์ท่านว่าเสร็จคล้ายๆกับสาธยายมาเสร็จ และพระเหล่านั้นก็สวดขึ้นพร้อมๆกันก็ตรงมาที่พระนลสวดถ้าเรากยกตัวอย่างง่ายๆว่าการสังเกตนาคล้ายๆกับว่าพระนลท่านสวดทำมาจากกัปตันสูรรกกรตรแต่ในทำรรมาจากกัตันสูตรที่เป็นพระบาลีพุทธวัจนะ น, นั้นเริ่มที่เอเวเมเริ่มที่ The Way Me A v. เอเวเมพิกเวเฟิลพารารกราฟข้างบนนี่ไม่ใช่ เป็นคำเล่าของพระนุนเรื่พระนุนก็ว่ามาตลอดเลยลเสร็จแล้วพอจบตอนสุดท้ายท่านก็บอกว่าอิดามโวจะพักว่าก็แล้วยากรนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคยาวสัตว์อยู่ซึ่งก็หมายความตอนนั้นไม่ใช่บาลีุพธวัจนัยกัน ข้อความในที่นี้ก็เหมือนกันท่านก็นเล่าว่าสมัยหนึ่งพระบเมียพักเจ้าประทับอยู่ณนะวิหารเชตวันอารามของอนาถบินิกาเศรษฐีพระนครสาวัตถีหน้าที่นั้นแหละพระบเมียพักตรัสเรียกพิสุตัางหลายมาว่าลูกกรพิสูตต่างหลายภาิกษุเหล่านั้นทูลรับในพระดํารัสของพระบเมียพักเจ้าข้อความตรงนี้เป็นข้อความที่พระนุลเล่า แล้วพระท่านก็เล่าต่อเล่าต่อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสัตว์ว่าตอนเนี้เป็นพระบาลีพุทธวัจนะแล้แต่คําว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสัตว์ว่านั้นเป็นคําบอกของพระอ น, นุนมีลักษณะคล้ายๆกับนักข่าวรายงานรายงานในวลนนี้คนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้คนนู้นพูดอย่างนั้น รับสังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผ้าที่เส้าหมองมนทินจับช่างย้อมพึงนำเอาผ้านั้นหย่อนลงในน้ำย้อมใดๆคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีหรือสีชมพูผ้านั้นพึงเป็นผ้าที่มีสีที่เขาย้อมไม่ดีมีสีมัวหมองาะนั้นเป็นเพราะเหตุอะไร พระภาพเป็นของไม่บริสุทธิ์จันใดเมื่อจิตเศรมองแล้วทุกกติเป็นอันหวังได้ชั้นนั้นนี่ประเด็นที่สื่อสารโดยมีตัวอย่างคือผ้านี่ยเป็นตัวอย่างเทียบกับจิตพระทภาพมันสกปรกแล้วไม่ได้ซักให้สะอาดก่อนแล้วย้อมจะมีเสียอะไรก็ช่างฮะ แต่เราก็เห็นความเจริญก้าวหน้าในยุคพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลนะฮะประนัยย้อมผ้าโดวยวิธีต่างๆทอผ้าโดวยวิธีต่างๆราคาแพงๆผ้ากรสีราคาผืนหนึ่งเป็นแสนๆเนี่ยเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีหรือมาสี่ห้าพันปีนี่มีแล้ว นักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์เขาค้นไม่พบก็ไม่พบแหละแต่ว่าถ้าเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นท่านก็ไม่พูดอ่ะท่านจะ อ, อะไรมาพูดอ่ะมันเป็นการพูดในลักษณะที่คนฟังขณะนั้นมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นอยู่เกิดจินตภาพทันทีเลย่ันชัดเจนว่าถ้าผ้ามันสกปรกเอามาย้อมต้องไม่สา และสีก็ดำๆด่างๆไม่สวยงามไม่เสมอไม่เรียกแล้วก็มาสรุปไปเห็นว่าจิตที่คุณมัวเศ้าหมองเนี่ยวังได้ว่าตายไปแล้วต้องไปเกิดในทุกติข้อนี้ที่นํามายกมาอ้างกันบ่อยๆ่วจิตเตสังยิริเทสุคติทุกติบาติกังขา เมื่อจิตเ้ามองก็หวังได้ว่าตายไปแล้วแบบมันเกิดในทุกขติทีนี้เมจิตโดยสภาวะของมันจริงๆอ่ะตัวจิตจริงๆมันจะมีลักษณะเหมือนกับน้ํามันไม่ปรากฏเป็นสีเป็นกลิ่นเป็นรส เ, เป็นรูปอะไรแต่น้ำมัก็เปลี่ยนสีได้ทุกสารพัด ส, สีแล้วก็เปลี่ยนกลิ่นได้ทุกสารพัดกลิ่นเปลี่ยนรสได้ทุกสารพัดรสเราพูดไปอย่างนั้นเองอ่ะ เราพูดว่าน้ําเขียวน้ำเหลืองน้ำแดงแต่จริงน้ำไม่ได้เขียวไม่ได้เหลืองไม่ได้แดงน้ําถูกทําให้เขียวให้เหลืองให้แดงน้ําถูกทําให้เหม็นให้หอมน้ําถูกทําให้เปรี้ยวหวานมันเค็มต่างๆแต่ว่าไม่ใช่น้ําเป็นเองเป็นสิ่งอื่นนอกจากน้ําแต่เมื่อมาปะปนอยู่ในน้ําก็ทําให้น้ํามันเป็นอย่างนั้นและจิตคนเราที่จริงมันก็เป็นเช่นนั้น น้ำเป็นตัวทำให้ขุนมัวสมองอกิเลตเนี่ยเป็นตัวทํำให้ขุนมัวสมองทีนี้เมื่อเมื่อจิตเมื่อขุนมัวสมองอยู่เนี่ยเอาไปยอมที่ธรรมะมาอธิบายธรรมะมาสอนธรรมะมาชวนปฏิบัติธรรมะมันไปไม่ได้เหมือนเหมือนผ้าที่ไม่พร้อมจะยอมเนี่ยมันยอมก็ไม่ได้ไม่เอาดีไม่ได้ อันเราเห็นว่าการปรับสบ่าภาพจิตเพื่อจะขึ้นสู่กระแสของศีลของสมาธิของปัญญาเนี่ยพิจึงจิตต้องใช้งานได้ถ้าเราไม่มองไม่ยึดติดในรูปแบบคือไม่ทำในเชิงรูปแบบมากเกินไปแต่ก็เรามีชุดร่างได้ยากเพราะว่ามีความเป็นรูปแบบอยู่สูงเหลือเกิน ศาสนาศึกษาศาสนาปฏิบัติเป็นศาสนาพิธีเกือบหมดและในวัดวาารามต่างๆมันก็เป็นอย่างนะั้นคือไม่ได้มองเป็นแนวของศาสนาปฏิบัติมันไม่ได้ตรวจสอบดูที่จิตว่าจิตมันเปลีป่ยนแปลงมันลดโลภลดโกรธลดหลงลดราคะลดโลภะลดโทสะลดโมหะลงหรือไม่เป็นพัฒนาการทางจิต ยารู้จะ่เจ้าวางอุบาสกบาสิกาไว้ที่ความเป็นรัตนะเป็นอบาสกแก้วเป็นบาสิกาแก้วถ้าตรงข้ามเรียกอุบาสกสกจันทานอุบาสิกาจันทานมันแสดงในพัฒนาการท่งจิตไว้จิตคุณยอมติดป่าตัวการยหญ่จริงๆมันอยู่ที่ศรัทธาแล้วก็บทพิสูจน์มันมีศรัทธา แถ้าทาคือการน้อมใจเชื่อต้องเชื่อในพระพุทธคุณนี่เป็นหลักทีนี้เมื่อเชื่อพุทธคุณมันก็เชื่อในธรรมคุณเพราะ ง, างั้นเราเห็นนะที่เชื่อก ร, รมเนี่ยเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อการทิฏฐิทั้ทงหลายมีกรรมเป็นของตรด น, นี่ยจะต้องพุทธคุณกรรันที่จริงก็คือธรรมะถวาสืบเนื่องมาจากอะไรซืบเนื่องมาจากการเชื่อว่าข้อเนี้ยพระเจ้าตสรู เรื่องกรรมเป็นการความรู้ระดับพระญาณของรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีพระญาณพระเจ้ารู้เรื่องกรรมกับมรรคปากรญาณจตูปปาติญาณตลอดที่พระเจ้กสุเนี่ยก็เป็นเอกได้พระองค์รู้กรรมโดยละเอียดในแง่มุมต่างๆเราไม่มียาเน่ยเรามียาเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้า พอใจมันจะผ่องใสใจผ่องใสมันก็เกิดพอใจยินดีในความเป็นผู้มีศีลศีลเป็นที่พอใจยินดีของคนที่ใจต้องสะอาดนะคนใจที่เปื้อนโดยมลทินเนี่ยไม่ยินดีในศีลหรอกมองศีลเป็นปัญหาอุปรสรรคอันตรายหรือเรื่องที่น่ารังเกียจขยะขยงต่างๆ วันก่อนอ่านหนังสือท่านชชยคำว่ายำใหญ่ไฟใต้เป็นของพลเอกกิติรัตนาชายาอาดีตแม่ทัพสี่หรือท่านเจ้าคณะจังหวัดยะลาดันโทรเล่ามาหรือเข้าใจเป็นหนังสือที่เขาแจกเลยโทรไปถามเขาตือเขาก็นำมาให้ ก็อย่างละสามเล่มอย่างนัานไม่จบเราแต่อ่านแล้วเนี่ยเราก็มองในมิติของศาสนาเป็นปัญหาที่ท่านพูดเรื่องสมาการก็ดีพูดเรื่องอความแตกต่างเนี่ยตลอดถึงพวกปัญหาต่างๆที่ปรากฏในภักได้เนี่ยคือเราเห็นเราดูแล้วมันไม่มีอะไรอะ มันเป็นธรรมาชาติของมนุษย์มันไม่จำเป็นจะต้องมีในภักไดยที่ไหนก็ได้ว่าขขาดใดที่ใจมนุษย์ขุ่นมัวเศร้ามองด้วยกิเลสประเภทต่างๆแล้วเนี่ยอาการอย่างนี้จะเกิดขึ้นโดยปกติอาการที่เด่นชัดเนี่ยคือโลกโกรธลงแล้วก็ที่แรงเนี่ยคือโลค ก, ก็โร ก, ก็ลงเช่นไรเช่นว่ากายาเสติด นักเลงอิทธิพลอำนาจมืดการจชการชั่วนักการเมืองท้องถิน่นเป็นเรื่องผลประโยชน์ขัดแย้งกันไม่มีรยายะอียโลกก็ลงนั่นเองคืออย่างที่บอกว่าชาวพุทธที่เราอยู่กับพระพุทธศาสนาอยู่มานานนะคือถ้าเรามองจริงๆว่าอย่างบ อ, บอกเนี่ยมันก็ต้องสมัยพระคุณเลอเมืองคือห้าอสอบ 1> 6 1ร้อยสิบสามทงเหือแน่นอนแต่ถ้าเราดูร่องรอยแล้วร่องรอยทางโบราณคดีแล้วเนี่ยมันยุคนน้นแหละยุคของพระโสนารุตราแต่ถ้าบางท้องถิ่นเราจะเห็นว่ามันก็ก่อนหน้านั้นนะเช่นพระทาธาตุพนมเนี่ยเขาก็ถืออภอสีอ่อนเองก็สรวโรอยู่มานานมาก เราครอบครองเป็นเจ้าข้าเจ้าของพระพุทธศาสนามา น, นานแล้วก็เป็นประชากรส่วนใหญ่ซึ่งก็ใครไปเศษไม่ได้ว่าตลอดชมหน้าประวัติศาสตร์ยาวนานเนี่ยสองพันอย่างน้อยสอง้อยกว่าปีเนี่ยคนตรงนี้นับถือพระพุทธศาสนาเชื้อชาติอะไรสัญชาติอะไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะประาการที่เป็นชาติเป็นอะไรที่พูดกันทีหลังเนี่ยที่จริงมันเป็นเรื่องใหม่ เมื่อก่อนมันเป็นนครรัฐเป็นกลุ่มเป็นพวกแบ่งแยกกันอยู่เป็นหนหนึ่งเงินเดียวกันบ้างทะเลาะกันบ้างกัดแยงกันบ้างแต่ ง, งานกันบ้างอะไรก็แล้วแต่แต่เราก็ไม่ได้มองถึงตัวหลักการหลักการสําคัญคืออริยสัจถ้าเราสาวไม่ถึงตัวกิเลสซึ่งเป็นสมุทัยนะ เราอื่นมันเป็นอาการเฉยๆที่ว่ามาทั้งหมดในที่จริงเป็นอาการเฉยๆเป็นอาการของปัญหาเป็นอาการของกิเลียเฉยๆในที่ท่านเขียนใ้วงจรเนี่ยมันเป็นอาการของโลภะกับโมหะสำนวนลีกวรอยู่ที่ท่านพูดเมื่อตอนเราเจอปัญหาเศรษฐกิจแตกฟองสบู่ระเบิดเมื่อสี่สูตรเนี่ยท่านบอกว่า โลแบบโมงโง้ก็คือโลพะกับโมหะทีนี้ถ้าเราไปแก้ที่ตรงนั้นยังไม่ได้เนี่ยมันยังอึเมือนแก้ไม่ได้แล้วทอนต้องลดสมุทัยและต้องเพิ่มมากมนุษย์จะอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขได้ต้องลดสมุทัยแล้วเพิ่มมากแล้วทุกจะลดแล้วสุกจะเพิ่ม เพื่อนในที่นี้จึงทรงแสดงไว้สองสองช่วงตัวที่สองรับสั่งว่าผ้าที่บริสุทธิ์หมดจดช่างย้อมพึงนําเอาผ้านั้นย่อนลงในน้ําย้อมใดๆคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีชมพูพะนั้นพึงเป็นผ้าที่มีสีที่เขาย้อมดีสีสดมีสีสดข้อนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะผ้าบริสุทธิ์ชั้นใดเมื่อจิต ไม่เร้าบมองแล้วสุกติก็เป็นอันหวังได้ครนีท่านจะเห็นว่าทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ตัวจิตแต่เป็นสิ่งที่เข้ามาปรุงแต่งจิตในที่นี้ก็อุปมามันก็สีสีไม่จะติดดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่คุณภาพของจิตหรือคุณภาพของผ้า เราเห็นว่าคุณภาพของจิตถ้ามันมีอาสวะเยอะ ม, ยอมันก็ย่อไม่เคยติดดำดำด่างๆเงีง้ยขึ้นขึ้ น, นลงๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าคุณภาพจิตเขาดีบารมีเขาสูงที่พระเจ้าทรงอุ ป, ปมาว่าเหมือนก็ฝีกรัดหนองเนี่ยเอาน้ำแต่นิดเดียวหนองมันออกมาแล้ว เพระจิตใจคนประเภทเนี้ยเขาจะใคร่ทำยินดีในธรรมมันมีเชื้อบารมีอยู่เยอะพูดประโยคนี้เดีย่ยไปแล้วรนึกถึงคนมีบารมียกตัวอย่างเช่นเช่นพยาศาสตร์เนี่ยคือเราดูง่ายมากเพราะอะไรเพราะเราเทียบแล้วเนี่ยพยาศากับพระพุทธเจ้าดูแล้วคงอายุไม่มากกันเท่าไหร่ เพราะพระยะท่านมีเมียมีเมียแล้วก็พระเจ้าตอนนั้นก็สามสิบหกต้นๆแต่ว่าท่านมีบารมีท่านเดินบ่นไปทีนี้บุนบายหนอทีนี้กัดข้อหนอทีนี้บุนบายหนอทีนี้กัดข้อหนอ พรจารับสั่งริยญสะที่นี้บุ่นวายที่นี้ไปกาศค้อง ม, มาที่นี้เถิดนั่งลงเถิดเราจะแสดงธรรมแก่เธอไวเลยเข้าไปเลยแล้วก็อ้อนน้อมถวายบังคมมีความพร้อมเหมือนผ้าที่ซักมาดีพร้อมแต่ย้อมน้ำร้อนย้อมน้ำคือขนอาด จ, จะ อาจจะยาวไปในซ้ำนะเพราะว่าพระเจ้าทรงแสดงอนุบุตรที่กระถากับอริยสัจสี่แต่ถ้าเราดูภาษาดิบุตรแล้วก็จะเร็วมากยิ่งประโมคลานะยิ่งเร็วเราเน้นกับภาษาดิบุตรท่านอาศิชิแสดงธรรมะสองบรรทัดหือต่หนังสือยาวหน่อยก็บรรทัดเดียวอย่างนี้ บรรุมคผลเป็นโสโดับบันได้นี่คือลักษณะนคนมีบารมีถ้าบารมีอ่อนอย่างเจอพระพุทธเจ้าก่อนอย่างลูกประกายศีวกนี่พระพุทธเจ้าก่อนมันก็เพียงแต่ยอมรับแต่ว่าตัดสินใจยังไม่แน่ถนอนว่าน่าจะไม่ใช่หรือน่าจะใช่น่าจะไม่ใช่ อะไร้จริงๆแกพื้นฐานพื้นฐานก็เรากลายไปเรื่องใหญ่มันพร้อมจะยอมได้หรือไม่มันควรแก่น้ำยอมทรงชายก็่าจิตที่ควรแก่น้ำยอมมีคำานึ่งคำหนึ่งที่ทรงชายคาว่ากรรมนิยยะคือจิตใช้งานได้มันควรแก่การงานหรือใช้งานได้ คล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับปรุงอาหารเนี่ยชิมเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยพร้อมดื่มพร้อมบริโภคแต่ก็ต้องชิมกันดูหลายครั้งทีนี้จา ร, ร, รุทธำรบตรงนี้ก็ทำให้เห็นว่าที่รับสั่งรับสั่งแล้วเราเอามาพูดกันจนมีคำเกินไปคำหนึง รับสั่งว่าดูก่อนพิสษจน์ทั้งหลายจิตนี้ประพัฒสอนประพัสอนแปลว่าแดนซานออกแข่งรัศมีหมายความว่าธรรมชาติของจิตนี่มีธาตุรู้มันเรืองแสงแต่ก็คล้ายๆกับเพชรที่มันปนกับหินแต่มันมันแยกเด็ดขาดจะหินนะ คือหินไม่ซึมก็ไปในเพชรเพชรก็ไม่ได้ซึมก็ไปในหินแต่ม้องอยู่ด้วยกันเพราะเราแยกเพชรมาจากหินได้พลจิตกับกิเลสมันไม่ใช่เดียวกันเราจึงแยกจิตออกมาจากกิเลสได้ทัดสั่งว่าดูก่อนพิสษจ์ทั้งหลายจิตนี้ป่าพัดสอน แต่ว่าจิตนี้เศามองไปเพราะอุปกเกเรที่จอนมาเพราะอุปกเกเรก็เป็นของจอนมันไม่ใช่ของจริงทีนี้ในที่เนี้ยสงแสดงอุปกิเรเกเลรนี้เป็นกิเลร ท, ที่เราคุ้นๆ น, นะนะแต่ถ้าเรากาะกลุ่มมันก็คือไม่มีอะไรก็คือโลภโกรธหลงนั่นแหละแต่ว่าเป็นอาการอยู่ภายในจิตมันไม่ได้ออกมาไม่ออกมาเป็น พูดด้วยความโกรธหรือทำด้วยความโกรธเพราะถ้าอย่างนั้นมันไม่ได้เรียกอุปกิเลสเรียกวีติกมามกิเลสอกิเลสที่ทะลักล้นออกมาข้างนอกอะแต่นี่มันอยู่เฉพาะภายในจิตคือขึ้นทำจิตให้คุณอุปกิเลสคือเข้าไปทำจิตให้มนคุณจิตเศร้าหมองให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นอะให้จิตเป็นอย่างที่มันเป็นอะ คล้ายๆกับเอาน้าแดงใส่ในขวดก็ทำให้น้ามันแดงเอาสีแดงใส่กเปไปในขวดก็ทำให้น้ามันแดงพรต่อมาถ้าเราแปลแบบง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือมเขาเป็นอย่างที่เ็าเป็นอ่ะก็เป็นอย่างไงเขาก็เป็นอย่างไงแล้วก็ทำสิ่งอื่นที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องให้เป็นอย่างที่เ็าเป็นด้วยทั้งกุศลทั้งอกุศลทั้งกลางๆนะเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นอ่ะ ที่มันมีคำหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้ค่ายะถาภูตังประชานาติคือรู้เห็นตามความเป็นจริงคือความจริงเดีย๋ยถ้าจริงก็เป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นนหะเรารู้เห็นหรือไม่รู้เห็นเขาก็เป็นอย่างที่เ็าเป็นแล้วก็รับสั่งว่าลูกรกรพิษุทธิทั้งหลายก็ทงเหล่าไหนเป็นเครื่องซ้ำมองของจิตคือทีเนี้ยก็รายยาวไปเลย ประการแรกเรียกว่าอภิชาวิสมะโลภะข้อความตรงนี้ที่จริงปรากฏอยู่ในหนังสือหน o กวาดนะหนังสือที่พระนวกะเรียนอาตมาได้รวบรวมทมเป็นเล่มอธิบายขยายความสองแนว น, นหนึ่งก็ชื่อว่าธรรมปริทัศเรียงไปตามลำดับ หัวข้อในหนังสือเราก็ว่าก็ลังกะสอนมาหลายปีเนี่ยพระเข้าบ่นว่าไม่ค่อยเข้าใจเราก็ใช้วิธีใหม่เรากอกกลุ่มเลยเอามากอกกลุ่มคือกุศลธรรมที่อะไรเป็นกลุ่มเดียวกันก็มามัดรวมกันพูดสถดียวเสร็จเลยไปแยกเป็นหมวดหมวด กลุ่มของทุกกลุ่มของสมุทยัยกลุ่มของนิโรธกลุ่มของมร ก, กลุ่มของพระรัตนาไตรกลุ่มของธรรมชาติก็พิมพ์เผยแพร่ไปหลายจบละตอนนี้กำมังพิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบแหละ ม, มันขาดคราวพี่วันนีเทศธรรมแต่ปรากฏว่าพอตรวจสอบก็จริงมันคราวก่อนมันหายไปตั้งห้าหกข้อเลยก็ต้อง เรียบเรียงซ่อมเสริมขึ้นก็เรียกว่านิเทศธรรมเราเห็นว่าเป็นธรรมะที่เรียกว่าพระทั้งประเทศเนี่ยเทศเรื่องพวกเนี้เรื่องในโนวกว่าต์เนี่ยอุปกรณ์ เ, เราไม่ค่อยออกมาพูดเท่าไรเพราะว่ามันยาวมันมีทั้งสี่โปข้อแต่ก็ผสกมกลมเกลึงอนที่อื่นเดีเจตนาจะที่บายอุปกรณ์จริงๆเนี่ยไม่ค่อยได้ทำกหรอกแม้แต่สอนโนกะเพราะก็อยู่ตอนปลาย ตอนปลายก็จนจะออกพรรษาแล้วคือจะจบละแต่ถ้าเราศึกษาแล้วเราจะเห็นว่าเป็นการขยายอาการของกิเลสคือราคะโลภตโสโมหะนั่นเองเพี่งแต่ว่ามันพูดตามอาการความเข้มข้นที่มันต่างกันเร้อนอภิชาวิสมะโลภะเนี่ย ก็ได้จริงความโลภแต่ว่าโลภมันไม่ใช่อยู่ที่จิตเฉยเฉยมันตามันเพ่งเลงด้วยตามองนะฮะตามองคือตาแบบตะกะตะกลามนะฮะตาแบบความโลภความปรารถนารุนแรงอาจจะเป็นความโลภในทรัพย์สินเงินทองเขามองตาเป็นมันอะไรต่ไห วันเวลาแปลเนี่ยแปลว่าความโลภไม่สม่ำเสมอเพราะมองนั้นมองนี้มองน้นก็ยุ่งไปหมดเลยอยากได้หมดแต่ค้าก็เดินชมสินค้าที่เขาเปิดแสดงสินค้าในที่ต่างๆอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้อนันก็อยากได้อยากได้อยากได้ไไดไไดไไดใจมันก็ขุ่น น, นี้ถามว่าคุณกํากับควบคุมได้ไหมล่ะแต่กํา ก, กับควบคุมมันได้คุณก็มีสปอร์ที่เป็ น, น, ปนแต่ถ้ากํากับควบคุมไม่ได้มันก็อาจจะถึงใช้วิธีลักขโมยมันก็ในมีคนมาเล่าเป็นญาติผู้น้องแต่เขาอายุแก่กว่า ลูกๆก็หลายคนลูกก็หกเจ็ดคนทํางานทําการเป็นหลักเป็นฐานแล้วบอกให้พ่อแม่เนี่ยเลิกขายของแกโบกแกไว้ฝึกสมองแกฝึกความคิดแกได็กขโมยบ่อยคือจะได้สังเกตได้ตรวจสอบได้ดูอเด็กอะไรมันซื้อเด็กอะไรมาแอบขอโมยสับเปลี่ยนอะไรต่อะไรเนี่ยเอาฝึกสมองแกกนี่ก็แสดงเห็นว่า ไอ้ความโลภนั่นแหละมันเพ่งแรงโลภอยากได้แต่ว่ามันไม่มีตางซื้อเด็กแกไม่มีทางซื้อแกก็ใช้วิธีขโมยแต่การขโมยของเด็กเนี่ยบางทีไม่ได้ไม่ไม่ดถึงก็อยากแรงไงนะแต่มันคึกกระนองมันอยากจะ อ, อวดมันอยากจะแสดงฝีมืออะไรกับมันเพื่อจะอวดเพื่อนเป็นความคึกกระนองแบบเด็ก ต่พวกนี้ถ้าเกิดแก่ผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอิเรียบทจะไม่ครบงปกติแล้วเพราะว่าความโลภมันจัดรางความโลภเนี่ยพอถึงมันจัดแล้วเนี่ยของไทยเราเขาเรียกละโมบแหละละโมบตะกะตะกรามกระสันอยากในโลกวัตถุทั้งหลาย สิ่งที่เราอยากมันก็ไม่มีอะไรอย่างคือวัตถุกรมแต่ว่าใจเรากําหนดว่ามันน่าใคราน่าปรารถนาน่าพอใจแล้วก็โลภแรงจนกลายเป็นอภิชาวิสมันโลภะปัญตังก็บอกว่าเป็นความละโมบที่ไม่ไม่สม่ำเสมอด้วยหน้าของความเพ่งเล็งเพ่งเล็งก็โลภอยากได้บูก็เพ่งเล็งโลภจะได้ปัญ เ, เพ่งเล็งเนี่ย เ, เราลองสังเกตด้วย มันเพ่งเล่งดูด้วยตาแต่ว่จิตมันเพ่งมันาอาจจะนั่งอาจจะนั่งอยู่ก็ได้แต่ว่าจิตมันเพ่งเล็งไปเป็นเหนียวนึกเป็นการตรึกนึกด้วยอำนาจของความอยากความอยากก็เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจก็ใจก็ขุนใจก็ขุนมัวซาหมองทิัลกลักษณะเหล่นี้ที่จริงกิเลสเนี่ยมันสายไปสู่การทั้งสาม ที่อย่างที่บอกว่าเราต้องพังว่าัยกระทัรรมะ่มาเราดูที่จิตเราด้วยว่มีไหมที่เราอยากได้ในอดีตอยากห้ยหาอะไรถึงสิ่งที่เราเคยได้เคยมีเคยเป็นในอดีตมีไม่เราที่ไขว่คว้าปรารถนาะอยากได้อยากมีอยากเป็นในอนาคตมีไมมที่เรากำหนดเพลิดเพลิ น, นชื่นชมยินดีด้วยความอยากในสิ่งที่เป็นปฏิบนันเออมันมี เออราคามีไหมลองถามจิต ด, ด้วยราคามีไหมละ่ะที่คิดถึงคนที่เรากำหนัดพอใจในอดีตมีไหมกวยความปรารถนามีความกำหนัดรักใครพอใจยินดีในเพศตรงข้างในอนาคตมีไหมเรามีอยู่ในปัจจุบันไหมก็แสดงมันมีเออกิเลสมันวิ่งอ่ะปรากฏมันวิ่งแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าโดยการมองเนี่ยเราอย่าไปยึดติดในรูปแบบ บันก่อนได้อ่านบทสัมพาดของนักวิชาการอิสลามของอิสลามคนหนึ่งเป็นชาวอินโดนีเซียโอ้ความคิดคมมากความคิดน่าทึงน่าคุยกันนะฮะน่าคุยมากเลยคนเนี้ยแต่เสียดายเขาก็ไปก็มังไปศึกษาต่างประเทศแล้วทูกวางยายพิดตายเดี๋ยวเขาก็แปลมาลงที่หนังสือพิมพ์แต่ได้อ่านตอนสุดท้ายแล้ว อย่างนึกวอาคนอย่างนี้สิคือไม่ไปยึดติดในรูปแบบอะไรมากเกินไปศาสนาอย่าลืมนะฮะว่าศาสนาเนี่ยถ้าเราเราไม่ไระมัดระวังเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโมหะเนี่ยมันเยอะเพราะอะไรเพราะปัญญาไม่ถึงมันไม่เข้าใจถึงเกียตนารมณ์จริงๆอะ่ะ แล้วทำนองแค่การส่งของไปสู่ที่ไกลเนี่ยมันต้องมีอะไรปนๆมาเพื่อห่อไว้มันไม่ส่งมันล้วนๆหรอกอย่างเราจะเห็นว่าพัสรุปแปรตเนียอะไรแตะะไร่ไหนทั้งหมดเนี่ยมันมีของอย่างอื่นที่เจตนาเนี่ยปนมาไว้คือห่อไว้เพื่อป้องกันของที่ต้องการส่งจริงๆเนี่ยไม่เป็นอันตราย แล้วบางอย่างบางกลายบางอย่างเนี่ยมันเป็นปริยายอย่างยกตัวอย่างง่ายๆว่าที่เราคุ้นๆเนี่ยมงคลสามสิบแปดประการเรารู้อสเสวนาจะพาลนังเนี่อเรารู้แต่เราลืมไปว่าจริงๆมันมีอภิมงคลโดยอีกสามสิแปดประการก็คือจงกันข้ามเพราะด้านนี้เป็นกุศลธรรมาวดแสดงตรงกันข้ามคืออกุศลธรรมาแ้าในขณะเดียวกันเนี่ยมันเท่าๆอยูอ่สองด้าน คือหทายความว่ามันเครื่องกลางกลาอ่ะครึ่องกลางกลางไม่ไม่ถึงกับคบพานแต่ไม่ถึงก็บคบบัณฑิตอะไรต่ออะไรพวกนี้ยก็อานิยายเลยเข้าไม่ก็ได้บางทีก็เข้าวัดฟังธรรมจาศีลบางทีก็นั่งกองเล้าอยู่ในโรงสุร า, าบางทีก็ไปเล่นการพ น, นันเอาบางทีก็ไปนั่งอ่านหนังสือธรรมะ บางทีก็วางมาเป็นนั่งเจริญกรรมฐานได้ก็แล้วแต่ก็กกเท่าๆก็มีอยู่เยอะเพราะนั่ก็จริงเนยเท่าๆนี่จะเยอะดังนั้นในที่นี้เป็นการสะท้อนด้านด้า น, ด, านด้านสมุทยัยเราต้องนึกว่าด้านมาร์กเนี่ยมันอยู่ด้วยแต่อยู่ตัวกันครับด้านมาร์กก็คือความไม่โลภเป็นการกํากับควบคุมดูความโลภจนถึงกับ เสียสละให้ปันไม่พอใจไม่ยินดีไม่ชอบใจในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราแล้วเคารพสิทธิในสิ่งที่เป็นของของบุคคลอื่นไม่อยากได้ของคนอื่นไม่อยากได้ก็จบเพราะในการจะพ่งเลงการจะมองเนี่ยมันจะไม่เกิดเพราะพระเจ้าต้องฝึกพระนะ่ะ พระนี่ไปเวลาบินทบาทเนี่ยไปมองหน้าทายกก็ไม่ได้นะแล้วมองกับไปในบ้านเขาเพื่อดูอะไรต่ออรตตางๆครับไม่ได้แล้วเข้าไปจะหยิบนั้นหยิบนี้หยิบโน้นเนี่ยไม่ได้เป็นการกำกับควบคุมไม่ให้ตัวความโลภไม่ในตัวความโลภเข้าครอบงำในเกิดอาการนี่อาการของอุปกิเลสเนี่ย ถามว่ามีทุกคนไหมมันก็มีอยู่แต่ว่าไม่ใช่มีอยู่ตลอดไม่ใช่เกิดขึ้นกลุ้มๆใจตลอดไม่ทําใจคุณนโม่ตลอดเพราะถ้ามันมีอยู่ตลอดเราก็แย่แต่อย่าลืมพวกนี้วิ่งสายไปสวดดีบ้างนาคบ้างปัจจุบันบ้างมันก็กลายเป็นเรื่องที่ทั้งหาทั้งเถอนมันหนัก เพรมันเป็นอุปทานเป็นการมุ่งอุปทานเป็นยึดมั่นเดิมหน้าความใครายอยากได้อยากมีอยากเป็นโหยหนาะอะไรปรารถนาไขวพคว้าเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเพื่อย้อนมาเพื่อคืนมาเพื่อกลับมาเพราที่ก็อยากในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วก็อยากพ่อแม่ตายร้องให้ ถามช่วยอะไรไหมเคือช่วยทําให้พ่อแม่ออฟืนมาเอามันก็เกินไปเห น, นความอยากที่เกินไปลักขาะติดผลเพราะนั่นท่นสายชนทั้งหลายจะเห็นว่าผู้เนี้ยมั น, ม, นมันทําให้จิตมันขุนแล้วถ้าเรายังมีพวกนี้อยู่ในขณะนั้นจะอ่านหนังสือจะฟังธรรมจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาให้มันสัมผัสธรรมไม่ได้สัมผัสดีไม่ได้ ก็จะเกิดอาการฉาบสวยธรรมะเองก็แว่งไอ้พวกนี้เองก็ไม่ถึงกับมีอำนาจอิท ธ, ธิพลมากเกินไปท่านังอะไรสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไพบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี